เพราะท่านใฝ่ใในธรรมใฝ่ในธรรมใฝในการกุศลท่านบอกว่าท่านจะตั้งเป็นโมเนทิวิริยะคือคุณพ่อของท่านาตั้งเป็นชื่อคุณพ่อของท่านวิริยะนาศิลวันนามสกุลนาศิลวัน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 ท่านก็ได้มาอยู่กับหลวงปู่มั่นได้ลงมือปฏิบัติที่ท่านได้ประยัติมาแล้วนั้นปริยัตปฏิบัติจากนั้นท่านก็ได้ปฏิเวทก็คือได้สำเร็จมรรคผลเป็นที่พึงพอใจท่านก็บอกชัดเจนบอกชัดเจนว่าท่านได้สำเร็จมรรคผลยังไงอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รูไร้ได้ทราบนะสรุปแล้วก็คือหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านได้ทั้งปรยัต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 การบอกตัว อ, ออกบอกแนะนํำตัวของท่านอีกในทั้งปริยัตปฏิบัติของท่านก็ได้ปฏิเวทของท่านก็ได้เพราะฉนั้นทําคําสอนขององหลวงตาที่ท่านเทศนาว่าการหรือทำมาเลกิตของท่านาจะเป็นประวัติหลงปูเสาะประวัติหลงปูมั่นประวัติหลงปูมั่นปฏิปฏาทาพระธุโธงกรรมฐาน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 เลื่อนๆ ล, ลอยๆอยเป็นยังไงค า, าว่าเตรียมพร้อมคำนี้คืออะไรชีวิตของพวกเราจะอยู่ด้วยความประมาทได้อย่างไรต้องเตรียมพร้อม เ, อเหมือนกับอริจัตรโที่จะเข้ามาคือมลรณะภัยที่จะเข้ามาหาตัวเองอยู่แล้วเป็นนอนชราใจอยู่ได้อย่างไงต้องเตรียมพร้อมนี่แหละเตรียมพร้อมคำนี้ละต้องอ่านต้องศึกษาต้องฟังดยที่ว่าดวงวงตาให้เตรียมพร้อมอย่างไร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 หาทุนเพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์เป็นอามิจชบูชาพระองค์หลวงตาเนี่ยห้าสิบล้านบาทนะประกาศในวันวางศิลารลิกนะวันนั้นกระทุนก็หม่อมแล้วก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดหวัวหน้าส่วนราชการพาสง์ต่างหายร้อยรูปนะหลวงพ่อประกาศในที่สาธารณะเลยเลยนะแต่หลวงพ่อก็ยังยืนหยัดอยู่อย่างเก่าจึงไงเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ย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 ก็คือไหววิญญาณที่มองไม่เห็นแต่พุทธศาสนาของเรากัเนี่ยอุทิศ ส, สวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณ์คือทำดีพวกเราทำดีเสร็จแล้วอุทิศ ส, สวนกุศลให้ผู้ดวงวิญญาณแต่ดวงวิญญาณเขาไม่ชอบนะใครทำชั่วแล้วเอาความชั่วไปให้เขาเขาไม่เอานะ <c oughs> เพราะนั้นพวกเราต้องทำดีซะก่อนไหวพระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลภาวนา สงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยชุมชนสังคมเป็นความดีแล้วจะน้อมบุทิดความดีของเราให้กับดวงวิญญาณหรือวให้ผู้มีอุปกรณคุณเหล่านั้นอจะเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลสําหรับดวงวิญญาณเหล่านั้น่ะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะเมื่อใดทราบข่าวยินเสียงของหลวงพ่อเนี่ยก็อใครจะมาร่วมทําบุญในวันนั้น